ม, มั่งปูคำดีท่านนิสยัยท่านนิสยัยท่านผ่าผลด้วยนะมั่งปูคำดีนี่ท่านรอยฟังตั้ ง, ง, งแต่ตอนที่นิสมันเป็นผมไม่ลืมนะโอ้โท่านก็มีเหมือนกับมีสายบุญสายกรรมยังมีงานต่อยไมงั้นท่านฆ่าตัวตายปไปเลยขนาดนั้นนะนี่มันทำให้ย้อนไปถึงพระโพธิกด ที่ฆ่าตัวตายมันมีสาเหตุเป็นไปได้อย่างนั้นะที่อย่างเล่านี่เหมือนกันที่ว่าสมาธินี่เสื่อมเสื่อมครานี้ต้องตายเนี่ยมันมีสาเหตุไปได้อ๋อมันมีเงื่อนมันมีสาเหตุที่จะทำให้เป็นไปอย่างนั้นต้องปลูกความดีตั้งแตเหมือนกันตั้งแผ่านกันมาได้เวลาเล่าพรมานั่นคุยกันตอนนั้นสองต่อสอง แมฝากความคิดถึงบุญถึงคุณแต่หาท่านมหาบัวด้วยน้าว่ะแล้วก็จะออกไปส่งท่านตอนไปผ่าอะไรตอมล่งหมากเลยลืมละผมก็ลืมผ่าอะไรมาก็เลยทามาส่งท่านแลวินไปจังหวัดเลยแต่ก่อนไปลงแล้ฝากความคิดถึงบุญถึงคุณแหาท่านมหาบัวด้วยน้า ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์นวตมาเขาว่ากัา น, นทางนั้นก็นาคํามาพูดโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นใจผมว่างโอ้ถือท่านเป็นครูอาจารย์กล่าวว่าบูชาท่านอยู่เสมอไม่จำเป็นเป็นอาจารย์ท่านนั้นนะไม่เหมาะก็ท่านพูดอย่างนั้นท่านฝากมาอย่างนั้นหน่อแต่ความจริงพูดตามความจริงเราก็ยกให้อัน อุบายต่างๆที่ถวายท่านนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่อยากให้ท่านพูดออกมากับผู้อื่นอย่างเปิดเผยอย่างนั้นอันนั้นอยากให้ท่านเก็บไว้ภายในใจเราไม่อยากให้ท่านพูดเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ลบท่านอน่างน น, นั้นนั่นหมายถึงเวลามันเข้าชของของมันเนาะเวลามันติดมันก็ติดอย่า ง, างนั้น ท, ท่านติีอย่างนั้นนะ ท, ที่ท่านท่านเล่าให้ฟังมันมันโดนมันด่านมันระเบทดตีสี่ท่านเดินยงกรมอยู่ข้างๆกุฏิท่านเล่าให้ฟังกุฏิหลังนี่หลังเข้าไปที่แรกไม่ใช่หลังใหม่นั่นหนะลังเข้าไปที่แรกพอเลยก็ลาไปแล้วลงไปถึงนั่งกุฏิมันขวางอย่างเนี้ย มันกุฏิสองชั้นเลยนี่เป็นสองชั้นท่านเป็นยนตกรมทางด้านที่เหนือยาวกุฏิยาวไปทางนั้นแล้วกุฏิทนกรมก็ยาวตอออกตอนตกนี่ท่านเ้่าใั้ฟังดีเดินยนต์กรมอยู่มันติดปัญหาตันว่าโอ้โหติดอย่างไปไม่ได้เลยนะเหมือนอะไร มันหอกมันหลาทิ่มในหัวใจถ้งนั้นะตีปัญหาถ้าสติปัญญาแก้ไม่ได้มันก็ไปอย่างนั้นที่เด็กปัดเหนนังไมันก็ไม่ได้เรื่องกัน่ะคิดไปห้าใครมันก็ไม่ติดไม่ติดใจง่ายอย่างนะมันมองเห็นแต่ท่านมหาอุเบกข์นะฟังที่อาจารย์พูดพูดคุกันสองต่อสองแหะปุ๊บปั๊บออกจากทางคนเมื่อมาก็มาจุดทูปว่างี่น่ะท่านปู้ช มันจุดทูบเตียนแล้วก็ไหว้พรเนี่ยตั้งสัจจะอิสานขึ้นขอราตนาสมาบัวมาโปดอยด่วนว่านี่นะแปลกเลยนะแล้วกราบลงแล้วก็ท่านก็ตั้งสัจจะอิสานพปนจิตท่านว่างี้อ่ะท่านอาจารย์ทำไมถึงว่างี้แล้ว่ะอู้หูผมทำแค่นี้จริงมีสมาว่างั้นตั้งสัจจะอิสานแล้วกราบลงไปแล้วก็ขอราตนาท่านมหาบัวมาโปดโดยด่วนว่า เวลานี้ติดปัญหานักมากที่สุดเลยว่ า, วาอย่างนี้นะเพาะงั้นก็บรินดนบันดางไงพอตื่นเช้ามานั่นต อ, อนตอนนั้นน่ะพอเช้ามานั่นเราก็ไปวันนั้นเลยนะถ้านุ้มเราไม่เคยไปเล ย, ยซ้ำใช่ไหมอือสิเพราะว่างงวท้าโมงเพ็ญโอวัดตัมพรู่เราก็ยังไม่เคยไปลุ้มไปเราทำลีนานลีนะ่ะไปที่ไปพักอยู่กับลุ้ม ผู้ชอดกก่อนแมใช่ไหมกระส<ช>ั่นไหมอืม่พอเที่ยงวันเนี่ยาการจิงใจผู้ปักเลยไปเดี๋ยวนี้ว่าเอารถลูกสาวที่ไปกินเนี่ยไปรถบ้านเขาเอารถสองแถวไปเลย๋ยวก่อนรถมันก็มันไม่มีมากเนุกวันนี้ก็ไปเอารถมาเดี๋ยวนะั่นเลย มากเที่ยงออกจากนี้ไปไปแวะข้างอยู่กับหลวงปู่ชาสิก่อนคุยธรรมะกับท่านพอรงกวร น, นะกานชานอาจารย์นนรนจนแล้วก็ไปพอฉาจารย์เจแล้วก็ไปไปวัดตั้มพระปู่พ่อไปวันดีพุเจอท่านเผยท่านเผยกับโป๊ะปจะไปเปิดประตูหรือิจยานเผยว่า เดี๋ยวไปลุ ก, กวันต่อน้านนะท่านท่านกำลังพักอยู่อันนี้ท่านกำลังพักก่อย่าหนะยาหนะยอยนั่นนะผมผมเนี้ยผมไม่ผมผมจะค้างวันนี้หรวันนี้วะผมมีโอกาสที่จะคูดคุยคุยกับท่านอยู่วะเพราะผมจะค้างที่นี่วันนี้วะผมอยู่หาที่พะะักนนาวว่างนี่แหละเขาผมจะไปกวนันลุ ก, กวันต่นน้าเพราะงั้นเราก็หันหน้ามาทานงนี้พอเราหันหน้ามาทางนี้เดินไปท่านเผยปุ๊บป ร, ปรับไปทางด้านหลังมา แบกระซิบ่าท่านจะพังกระโปรงปั่มามาเปิดประตูเองนี่นะมาเปิดประตูเขาเรียกนีประตูอย่างนี้มาเปิดด้านหน้าเนี่ยเปิดปบอกว่านำมาทามาขึ้นเลยทันทีเลยนะมามาหู้ยว่ะแล้วทำไมอ่ะขาได้พักขึ้นนี้ก็ขึ้นนี้ว่ะยังยังมันไปแล้วนะพักมาแล้วพักมาแุกวพักบอ๋อร้ว่า่เห็นไหมลักษณะดีแจงฮู้ท่านมาเร็วเนาะ มันแปลกเนี่ยมาเรวหน่วยเรวนี่หน่วยทีวาฟังเนี่ยเนี่ยติ่มาบอกวมาเวหน่อยกวานแล้วเขาจะมาบอกนนอยม่าตามภาษาบาขอเหานี่ว่าเป็นภาาเด็กส่าษาไดลงหน่มาเลยมันคั่กเหลืดบวยไปเลยพยังไงคนนอยว่าอูยพักสักว่าพูดกับคนคบ่ยพูดได้ข่าวแบบนี้นเผยมันรนี้เนี่ยคนาผมจะพูดทำไมเนี่ยกับคนผมมั่นยังหายคนพักสักอน่า พูดไปยสักสามยินมาที่บอกพ่อคนพันพูดพีดพ่ยังหรอกให้พู่ยังพักตะกอนมานะของคนัาคพอหามุงบางหามุนยินหีให้พาไปใิมุ้นเนอะกลมาพ่อคณบอกว่าด้ลาทหารพุ่งหู่จกพุ่มา ก, ก่อนเด็กน้อ ย, ม า, ยาอา ม, มาเอาคนเลยนไม่ต้องไเป็นตามมากเอาคนเล่นหล้วบัทนี่จังกรนะปุ่นปิดประตูได้ด ค่อขับไปกลเลยมีแต่เปนคำพังค์ปิดเปตูมัดไปทั้งด้านหน้าด้านหลังค่อยอื่นจนกระทั่งสองทุ่มกูดังต่างวนหงม้งหยินหางมงกว่าเป็นทงสองทุ่มขนมามาเต็มอยู่ก้บนาเนี่ยก็เต็มคนมาเปิดไอ่ยัมวันแล้วคุยกันก็ทามาเป็นเป่นเบามาวันเป็น็นตีปัญหาเนี่ยสัมพันธ์ยุ่งสั่นปัญหานีรพ เล่าจบลาแล้วเราก็ถวายเลยล่ะถวายปัญหาโอ้คูเต่ากับลูเดยวอยู่นะออเอาหน้าที่เอาเรานถ้าเขาใจไล้สทเาขาใจแล้วเขาใจแล้วพูกลี้ที่ปฏิบัติไดนะเ่ามันจะงนงี้ไงอีแหลกแน่้อนั่งเล่ดีแหละครูเต่าเลยโอ้คึกลยดิบปากว่าคึกคักจิตมันโดมันึงนั่นเอง้ถวายเหมือนพอทมมันจะพอได้ยัฝุ่นมันเต็มไทําไมลูกมันแก้ได้ยังไงวะ ไม่ใช่ทรร ม, มาดนเดาเนี่ยทั้มาเนี่ยท่านเล่าแต่ป้เาเข้าเข้าใจเลยนะเนี่ยาไปเลาไปาฟังก็จบแลยห้องก็ถายเลยไม่เด้ามากเนะี่ยอ้ป้าก็ไปเอออย่างนี้คือผู้เท่าไปลูกลานนี่ลูกวิธีปฏิบัติธรรมหานลูล้ลานนี่รูาน้นน้ำ น, ำ น, นะน้เด่นเลยลูกหานธรรมานแล้วลูกวิธีอะไรนี่เนี่ยเออที่แม่อัวเออเอสองคนตอนนี้มันถึงใจผู้เท่า นี่ละอันที่ผู้เฝ้าที่ผู้เฝาที่ว่าท่านมหาพัเป็นอาจารย์มาแล้นี่ละอันหนึงสำคัญอ้าเศร้าแต่ที่โลมดเลยที่ไหนโทษาๆๆโลมวดที่ยังเล่าอะไรกับแม่ขี้หมันเหมือนกันนี่แล้ว พอเราเล่าสวายมาแล้วเลยคนปัป๊บมา่ี่แบลงเลย <c oughs> กลับว่ามาไปเลยหนุนเป็นเงินอันนี้เคนอ่ะเนี่ยธรรมะทางจิตตะพอหนาไม่เหมือนอะไรนะเราไปยกกมภีร์มาทั้งตู้ทั้งหีบมาใส่ไม่ได้เหมือนหมอเถือนมายกมาทั้งหีบคนไข้าตายยิ่งกว่าหม อ, อยิงยกอะไรมาพอตรวจหรือ ฟังเสียงพูดคนไข้พูดนั่นนันรู้แล้ ว, ลวไปยื่นมานี่เดี๋ยวเสร็จปั๊บใหม่ยิ่งก็เหมือนกันเวลาท่านปฏิบัติโอ้ท่านก็สมบุกสมันมากจริงนะเกือบไปเกือบอยู่ห น, น, นักมากนะท่านก็ผ่านมาได้ น, ะนีสใยท่านมาท่านบอกมีสใยท่านมาแก้ใหม่ น, น, นั่นที ที่เป็นอย่างนี้นะท่านเล่าผมฟังแต่ก่อนผมว่าตะก่อนผมไม่เป็นอย่างนี้ท่านหาผมแก้ใหม่นะแก้อย่างเด็กเลยชั้นว่างนี่นะแล้วท่านเด็ดไม่เดยดท่านแก้อะไรไงนิสัยผมตะก่อนมันมันนิสัยผาดโผนนิสัยขี้โมโหท่านว่าเนี่ยนิสัยผาดผลมากมันมาท้ายไรทําให้ถูกใจแสดงคกองโมทศเลยท่ันว่างี่ ท่านเหตุที่ท่านจะแก้ท่านก็อยู่นี่แล้วอยู่วัดสัทธารวมนี่ท่านเลาฟังตัดผ้าเย็บผ้าท่านท่านจะเย็บผ้าท่านนั่นเนเนรอยู่ด้กั น, กนฉันจะตัดผ้าเย็บผ้าที่เย็บผ้าไน่ะ ตัดตัดผ้าไปนะ้ำหวานนะตัดผิดเนียนตัดผิดนะตัดผิดที่เย็บผิดนะผมดึงๆไปตรงนีนะ้น่าจะเป็นเย็บผิดไปตัดมันไม่น่าเนีนไม่น่าจะไปตัดอันนี้มันผมไม่ครับแต่แต่เป็นเนีนผู้ผิดผมจับได้ตรงนี้คนระับผิดเนีนผูเลยท่านจับผ้านมาถ้ามาฉีกท้าหเหนื่อยตัวหน้าเนียนท่านว่ า, วางี้นะ ขาวใหม่มาฉีดทิ้งต่อหน้าเนยโมโหทันวางกันท่านนั้นนิสัยท่านตะกอดทาหวางนี่นะนิสัยผาาผลโมโหโธโโท่ทันวางกันตรงนู้นหนึ่งกับพันาอ่อนอยู่นะพันธ์าได้ห้าพันธาหภาษานู่นะมันก็นหนุ่มนี่ฉีดต่อผ่าต่อหน้าเนยเนนก็ไม่พูดว่าไงล่องให้เนยนะวางเงนน่ะ เนรล่องให้พราะเห็นเนรล่องให้แล้วผิดแล้วผิดใหม่เป็นหวางนี้นะอมันผิดมันก็ผิดไปแล้วการมาฉีกมันเกิดไปอยู่แต่ไรทําให้คนอื่นได้เจ็บอกเจ็บใจอกเสียอกเสียใจกันหน่นี่นะีน่นไม่เสียใจยเนรจะร้องห่มว่าง่าหรือวะ่ะผิดก็เียนก็ทราบแล้วเราพิดแจง้งกันทราบว่ามันผิดตรง น, นั้ น, นเนรก็ทราบนล้วแล้วการไปฉีกผ้าต่อหน้าเนรทาประชดเนรมันเกิดผลประโยชน์อะไรอืม ม, มันไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียเราถ้าม น, นยกตัวอย่างในในนั้นแหละขนาดยกตัวอย่างในขนาดนี่นยกตัวอย่างเช่นเนรนี่เสียใจที่จุงน้องหน้องให้ขนาดเพราะเราว่ะมันว่างน่นะอั น, นที่มันเป็นมามันไม่ใช่เป็นเพียงเ น, นเดียวนี่นะอันว่ามันเป็นมากับใครต่อใครมันนิสัยนี่ทันวางกันนะแต่ครั้งนี้มันเป็นเงินเป็นเหตุนะครั้งที่จะแก่นี่นันวางกันแต่ก่อนมันไม่ได้คิดว่าจะแก้นิสัยนี่ทันวาง มามาโดนเน้นเข่าน้นล้องไห้อะไรตั้งแต่วันนี้ต่อไปจะไม่แสดงอาการ่างนี้อีกต่อไปเลยท่านวางนี่นะเลออกันอย่างเขียบขาดกันนีสัยมันผลม น, นี้การดัดก็ต้องดัดอย่างผลกันท่านางนี่นะดัดให้ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่เอาเป็นก็เป็นตากระต่ายท่านวางนี่นะทําทําทํามไม่ดัดมันมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถึงกะทั่งถึงวันตายเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความจะหายอย่างนี้ทั้งงานท่านว่างนี่นะ การดักนี่มันเป็นประโยชน์จากคนอื่นด้วยเราก็ไม่เป็นคผนผาดผลนั่นด้วยท่านวางนี่นะคนอื่นก็ไม่ได้รับความทูการเรียนอย่างนี้ด้วยนี่การการฝึกมันดีอย่างนี้เห็นไหมถ้าถ้าไม่มดักมันมันไม่ดีมันจะเป็นทํานองที่มันเป็นแบบนี้ดีดีมันจะอาจจะมากกว่าอะไรท่านวาเอาล่ะท่านวางนี่นะท่ลว่าเอาละท่านวางนี่ท่านเป็นนิสัยคนผาดผล น, น, นี่ใสเด็ดก็ตั้งตา บ, บันนั่นมาเลยใครจะทาอะไรก็ตาม ท่านบอกเหมือนไม่มีหัวใจเลย <c oughs> ฟังดิท่านเหมือนไม่หัวใจมันจะเป็นยังไงก็เป็นดัดกันอยู่ในภายในนี่เอาเหมือนไม่มีหัวใจก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้ท่านเคยดูใครขี่ไม่เคยดูใครนะท่านจะด้นมามันเป็นอย่างนี้ท่นว่ากาั้นตะก้อนนิสัยผมไม่เป็นนี้นะธรรมะหาท่านว่างนี้นะักคือนิสัยท่านนี่ อ, อยู่กันตลอดใครจะทําอะไรเชิญนั่นแหะโอ้ยท่านดัดก็้จริงๆงอ่ะน่าชมนะ นิสัยท่านเขาจะไปงามยิ่งกว่าท่านว่ะเรื่องนิสายงามเคยปวดก็ดูครเมง่ไหร่ที่ไหนไม่ละท่านฟังดินี่กันเล่าตะพอสองก็สองเวลาคุยกันทรรมากันพอยแล้วแล้ว อ, อ, อต่อไปนี่คุยกับท่านท่านก็หายสงสัยแล้วเราก็หมดปัญหาที่สงสัยท่านอีกต่อไปนี่เรื่องอธิษฐานการบัพท่านนะ เมือ่อ ก, กีอ้ผมจังคำดีท่านก็พูดย้อนหลังตอนผมเสียดายตอนที่ท่านหาไปคุยธมไปพักอยู่กับผมที่วัดศรีถามขอนักน่ะตอนนั้นผมยังไม่ได้เรื่องในราวแลวนักท่านวางเวลาท่านมหาพูดนี่แหมฟังดูดูคำพูดท่านมหาที่ไหลไปเลยกว่าเง บางคำบางอย่างผมเขาผมเข้าใจบางอย่างผมไม่เข้าใจอย่นี้จีบผมมั น, มนท่านก็พูดโกงเลยนลั่นแหละท่านท่านไม่ได้มีอะไรสมหวนท่าทีอะไรเลยลก็ผมนะผมมันเอือมไม่ถึงอ่ะตอนนั้นหวังเวลาท่านมาหาพูดนี่นก็เป็นตะฟังไปถึงขั้นจีดละเอียดผมก็ฟังไปเฉแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องหวังก็จีบผมไม่ได้เป็นหว่า มาทำมันมาเป็นนี่ดึงดันทำที่นี่คิดถึงธรรมละลราที่นี่วะกับท่านพูดถึงเรื่องการแจงขันห่านีไม่มีใครละเอียด ย, าายิ่งกว่าธรรมะแจงมากท่านได้อ่านหนังสือเล่มแป้นดวงใจอยู่ที่บ้านน้งแสงท่านบอกว่าท่านผมได้อ่านนี่แหละหนังสือมะเนี่ยผมอ่านหมดทุกเล่มเลยท่านว่างผ่านสายตาไปไม่ได้ท่านว่งางนะมันเพลิน อ่านมันซึ้งอ่านเลยแล้วมันซึ้งอย่างในแว่นดวงใจเหมือนกันจะทั้งๆกันมาพูดถึงเรื่องการแจงขันห้าไม่มีพวกปฏิบัติครการปฏิบัตินักปฏิบัติไม่มีใครแจงกันห้าได้ละเอียดและอดที่สุดเหมือนถ้ามาเลยผมได้อ่านแล้วนี่เนะี่ยอ่อนว่ า, างกันนั่นก็ท่านเวล า, ท, าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ดุไม่ว่าใครกันอย่างนั้นแล้วก็ดูสิ พ้นเป็นยังไงไม่ได้ตําหนินะก็ไม่ดุด่าว่ากับปล่อยตามเรื่องก็อย่างนั้นแลย้วยังไงยกโทษยกกรใครล่ะเราก็พูดตามเรื่องไม่ดุไม่ได่าไม่ว่าอะไรเลยก็เป็นแบบนั้นเป็นอีกแบบนึงนะอย่งแบบดุด่าอย่างผมนี่มันจะไปแบบไหนียก็ยไม่รู้นะนี่น ผมไม่ได้ว่าการดูดาวของผมมันจะดีน ะ, ะไปแบบไหนก็ไม่รู้อย่างแต่เรานี่มันได้ดีทีไรมันมีแต่แบบมัดมือชกออนะกมะเจ้าของอย่างไม่เคยได้ยิ่งิมนวลอะไรอย่างนั้นไอ้เจ้จาของไม่เคยมีนะผมนะมีแต่แบบมัดมือชกอะไรไม่ต้องมีกรรมการห้า ม, มว่าเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีให้มันตกลงทีเลย ถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้ก็ให้เราตกเวทีกิเลสกุศลธรรมมาเอากิเลสมันฉลาดกว่าเราถ้าถ้ากิเลสสู้เราม่ได้ก็เรากุศลากิเลสีิว่ากุศลธรรมมาก็แปลว่าทาคนให้ฉลาดแน่แปลแล้วกิเลสมฉลาดกว่ากุศลเอาวมันไม่ได้อย่างนั้นไหนสะายแล้วมไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยชีวิตของนูไมาได้นะ การปฏิบัตตัวเองมันคือนิสัยเรามันหยาบจริต้องได้ทําถึงขนาดนั้นมันถึงมันถึงพอดีกันว่างั้นใชนะ่ไหมถ้าไม่ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้หอกเนี่ยผมมันจะได้อุบายวิธีการกับแปรต่างๆและอาจารย์ข้าวใดก็ตามนะมันจะได้ด้วยนี่แบบที่ว่าเนี่ยต้องเอากันถึงเป็นถ้งตายโยบพาผลเต็มที่เลยใครดีอยู่ใครไม่ดีเอาพังว่ะ มันเหมือนอย่างนั้ น, แ ล, น, ล น, ลนแล้วมันก็ได้น่หละถ้าอย่างนั้นเราได้เนี่ยนี่แหละมันทําให้เราครึกคักอยู่ตลอดอันบประการหนึ่งมันก็เป็นอยู่กับนิสัยเมื่อมันควรจะคึกคักกัมันไม่ได้คํานึงถึงเรื่องว่าเป็นยังไงต่องไงแล้วมันเมื่อควรจะคึกคักก็คึกคักเลยเอาเลยเอาที่ดูที่ผูกโกรดผูกแค้นผมไม่ลืมนะไม่เอาจริงๆรินะ ที่ว่ากิจเสื่อมพอได้ที่แล้วฟวัดกันก็ต้งนั่งตลอดรุ่นตลอดนโอ้ยก้นพองกันเลอะหมดเลย่ายังนี่มันมันเกียดมันแค้นพอพอได้ทีทีเราแล้วเอาทิเา้เอาเลยมันเป็นยังไงนักหนานี่เิเลนโอเวลามันเสื่อมเสื่อมไปาจะให้เราเป็นเราตายตายยิางยิ่งย่า พ็ได้ถี่แล้วฟาดกันหนย่ออกเนื่นยก็เอาชีวิตเขาเป็นตัวประกันเลยอที่นี้เสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายตอนนั้นนั่นดูสมิมันเด็ดขนาดนั้น้าอย่างนั้นมนได้แหละอาเ จ, จ, จียเห็นอย่างนั่งตลอดดุม่มยี่สิบตั้งสิบกว่าคืนแต่ว่าหาไม่ติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนเวนสี่ห้าคืนบ้างเว้นอาทิตย์หนึ่งบ้าง อตลอดดุ้งตลอดลดุ้งแต่ทีนี้คืนไหนก็ตามเนี่ยกี่มันแน่ที่สุดคืนเราได้ลงสลับเป็นสลับตายขนาดนั้นแล้วคืนไหนก็ก็คืนนั้นได้อัศจรรย์ทุกคืนความอัศจรรย์ไม่มีคําว่าทรมานจะของยิ่งขนาดนั้นแล้วออกมาอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทรมานร่างกายให้ลาบา ก, กาเปล่า ไม่มีเป็นแต่เพียงว่าลงช้าได้ช้าเลี่ยวต่างกันบางวันโหฟัดกันเชี่ยจึงนัทุ่มมันต้องจะลงได้อย่างนั้นก็มีบางวันมันยังไม่ถึงไหนจับติดปับ๊บติดปับ๊บติดปับ๊บตูมเลยน่นอันนี้มันขึ้นอยู่กับอากาศโดยนะเท่าที่ผมสังเกต ด, ดูแล้วถ้าวันไหนมีฝนตก แล้พรมตั้งขื่นนะโอ้วันนั้นเราเหมาะที่สุดเลยเรา ก, การนั่งพอนะคือมันเย็นเนี่ยอุตุสปายะผลทำนะมันทําให้การพอนาำเย็นสบายไม่ร้อนไม่ตนุนตุลายถ้าพูดว่าช่วยพูดเลยถ้าถ้าวันไหนมันธรรมดามันร้อนโอ้วัไม่ได้นะลําบากมากที่สุดเลยแล้วลงยากด้วย นย่ที่เรียนว่าทุกครั้งเรียกสัจจังทุกเป็นของจริงมันจริงยังไงนั่นมันเห็นแล้วมันก็รู้เองเนอที่พูะพุทธ้าพูดวทุกครั้งเรียกสัจจังทุกเป็นของจริงอันปรเสิฐอันปเสริฐจริงยังไงทุกมันบีบหนื้อคนจนจะเป็นจะตายก็เพราะทุกเนี่ยคนตายก็เพราะทุกเนี่แล้วมันเป็นของจริงมาเสิอได้ยังไง ถ้าเราพูดภาษาของเราธรรมดาธรรเวลาพิจารณาก็าแปลจริงนะโอ้เวลาจริงนะมันแยกกันเลยนี่ต่างอันต่างจริงไม่มีใครว่าเป็นฆ่าสิบต่อใครทุกก็ไม่ได้เป็นฆ่าสิบต่อใครสมมโยงไทยมากนี้รวดต่างอันต่างจริงไม่มีอะไร ก, กระทบกันนั่นมันเป็นยังไงหัวใจมัรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนี่ที่บอกทุกขังเที่จะจำทุกเป็นของจริงอันประเสริอ้าประเสริอย่างนี้เไม่กระทบกันเลยต่างอันต่างจริง ยอมรับนะคุยทุกเรื่องนิสัยของเรามันนิสัยขาดผล น, น, นะมันจริงจังมากเหมือนกันมันขนาดที่ว่าชีวิตจะขาดกันไปไปเถอะฟังัันเลยเมื่อถึงขั้นมันเด็ดมันเด็อดทั้งมันจริงทำนี่จะขาดไม่ได้คำสางจริงนี่ขาดไม่ได้ว่านันฟังดิเรื่องชีวิตขาดขาดไปเถอะว่างเคยเกิดเคยตายมากี่พวกกีใช่ไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าธรรมเรา สัจจะคือความจริงใจตั้งไง้วต้องอย่างนั้นวางกันเลยมันผ่ามันผลจริงความป่าดผลทํ า, า, าทให้ได้ผลแปลกประหลาดอัศจรรย์เหมือนกันเมื่อมันมีทางไปแล้วมันก็สู้หรอที่ที่นี่ไม่มีทางออกแล้วมัด ม, มือชคเข้าไปแล้วมันก็สู้หรอที่ล้ า, างว่าไงไม่ออกไม่ได้จะตายที่มาบอกเนาสู้สิวัดกัน ผิดีีมรนะันนารหรี่ยนไม่ใช่เล่นๆมันละเอียดแห้มคมมันไม่ไมมีอะไรตัวนเลยแต่แล้วมันก็อัศจรรย์เรื่องปัญญาเหมือนกันนะนี่ผมก็เคยพูดใน้หมู่เพื่อนฟังแล้วโอ้เวลามันมันรับกันนี่ปัญญาไม่ทราบมันมันรวดเร็วอะไรน่หนาจนจนคาดไม่ได้นะ แต่มันเป็นปัญญานี่มันเป็นปัญญาปัญญาปัญญาแล้วนะคือมันเป็นเป็นของตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวแล้วเพราะงั้มันถึงนวดเรลยเหมือนก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นว่างั้นเลยตุ๊กแยเยียบอันนั้นมาเปียกมาเทียบมือไม่ไหม้ละมันใส่แผงแผงก็มันเรวที่เหลืมันก็เร็วมันสติปัญญาก็เร็วสุดท้ายก็สู้สติปัญญาไม่ได้ มันมีมันตั้งมารำพึงสิครับมันอดลำพึงไม่ได้อดคิดไม่ได้มันเริ่มความอะไรเพลนของสติปัญญารวดลายของสติปัญญาที่มันหมุนมันมันมันเอาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยนะเจ้าของมือปิดแต่รู้จะพูดนําพูดออกมาอันี่มันพูดไม่ถูกพูดได้แต่ว่า รวดเร็วเกินเหตุเกินผลที่เราจะค่าจะคิดว่างั้นได้เท่านั้นนหละไม่งั้นก็ไม่ทันกับวิริยะนั่ะตรงนั้นเลยที่ว่าหลักวิริยะมันแหลมคมมาอันนี้มันก็เหมือนกันเวลามันรับกันน่ผึนผืงมนมันอะไรมันสอดมันแท่งมันงัดมันแงะมันต่อยกันนั้นด้วยวิธีไหนมันรุนนะมันรวดเร็วของมัน เทิ้แล้วมันมันก็หายเงียบไปเลยงั้นหละประเด็นนี้นะพอหมดววละแล้วมก็ไม่เห็นเป็นไปไรนนอกจากจะจะเป็นขึ้นมาเป็นบางการบางเวลาตามเหตุการณ์นั้นเท่านั้นฉันเป็นอย่างแต่ก่อนยิ่หมุนติวทั้งวันนั่กิมันไม่เป็ะ แม้จะเป็นขึ้นมาในวาระหลังๆนี่มันก็ไม่เป็นเหมือนนั้นมันเป็นตามเหตุการณ์ที่ปกากฏแค่นั้นแล้เหตุการณ์นั่งไปนี่มันก็ไปพร้อมกันไม่มีเหลือผู้แม่รูจารย์ท่างกบมีใส่เหมือนกัน ผาดโผนรวดเร็วเวลาทันเทศฟังทันเทศความรวดเร็วของฤทิ์ปัญญามันเป็นนิจัยออกมาให้เห็นผมเนี่ยมันมันมันทําให้ไม่ลืมเลยมันฝังหรืออยู่ก็คือเรื่องอดอาหารเนี่ยมันมันทรมานจริงจริงเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำให้มันก็ไม่ได้เนี่ยจะทําไงนี่สิบางทีมันจะเหมือนกับมันจะเป็นจะตายจริง โอ้โหอุ่นใหตายเลยเจ้าแต่มันมันก็มีเครื่องรับก่อนนะคือกิเล่มันมามันมาแทรกเข้ามาอยู่อุ่นใหตายเลยนี่อุ่นอาหารว่าจะอุ่ข้าวกิเลนเจ้าของก็าลยจะตายลูกใหม่นักบาอดีมันมันแทรกเข้ามากิเลนแทรกแล้วนั่นอันนี้ขึ้นปุ๊บเลยก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นมิสซิสโยว่อด่นเจตอนนี้มันจะตายตายสิแหนมันแก่กันผมกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นมิสีิสโยว่า ก็อนมาเบงตอนนี้ก็จะมีตัววัตถตายจะตายอตาก็ตายสิ ว, <c oughs> ว่ามันแก้กั น, นปั๊บเลยแล้วมเมื่อเบงนั้นแล้วมันจะไปถอยยงไงเอตาก็ตาสินย่างก็คือว่าจะจะท่านงนี้ไม่ถอยนี่นี่มันจะเป็นตามนิสัยจริงนิสัยผมสาหรับผมเบ น, นีนอ่อยากมากาไม่เอาถึงขนาด ใคดีอยู่ใคไม่ไดีไปมัน่มันมยันมันไม่ได้เรื่องอีวจนกระทั่งถึงมันถึงขั้นของมันเป็นอัตโนมัตินั้น่มันถึงเป็นอีแบบเนื้อนันถึงขั้น ม, ม, มันมันมนนเเตีวเตวเตวเตเรื่องภาวนาใยปัญญาลองดูที่วางันเลยนะแล้วกล้าพูดเลยนะ ผูไม่เป็นจะมาต้นดาวพูดถึงเรื่องภาวนาวิญญานี้ไปเป็นไปนไม่ได้เป็นอังขาดว่างี้เลยเอาต้องรู้ที่ว่าภาวนาปิญญ า, าเป็นยังไงมาต้นดาวพูดได้เลยเพราะทำนี่แค่ทาต้นดาวนี่เป็นทําเกิดขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเองจริงๆนี่แล้วหลักธรรมชาติของตัวเองมันเป็นยังไงเนี่อ่ที่อนามาพูดได้ยังไงก็เ응มื่อมันไม่เป็นใครจะไปรู้ได้มันเป็นยังไงหลักธรรมชาติตัตวเองมันขึ้นกับอะไรว่า ง, งั้นมันหมุนตัวเป็นเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเงี้ยว่าง เป็นเองไม่ขึ้นกับอะไรสติปัญญาบางอย่างเรายังมีข้อเปรียบเทียบอย่างนั้นย่งนี้ไปคิดเอานู ม, มาเที่ยวนี้มาเที่ยวนั่นเป็นขั้นหนึ่งเป็นขั้นขั้ น, เ ป, น, น, นเป็นขั้นตอนอะไรกันนะพอถึงขั้นอภาวนาเนี่ยปัญญามีแล้วตลอดถึงภาวนาเนี่ยปัญญาที่คร่องตัวนั่น่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราข่ากันเลยมันค่าไม่ถูกมันเป็นตัวของตัวเองจริงๆ ไม่ปังอ่ะล่ละเรื่องอะ